คืนนี้ใจมันเต็มแรงแค่ได้ยินชื่อเธออีกครั้งนองนองเดินผ่านที่ดําแดงแต่ใจไม่เหมือนเก่าเพราะทุกเก่ายังมีเธออยู่ข้างในต่อให้วันเวลาเปลี่ยนหมุนไปแต่ชื่อเธอไม่เคยหายไปจากใจยิ่งยิงยิ่งยิ้มยิ่งฟังยิง มันเป็นอย่างนี้ ไม่ฉันใจสั่นอยู่ทุกความสมจจำที่มีเธอมันสวยงามเกินจะลบไปอยู่ยิ่งคิดยิ่งโยากยิ่งรักยิ่งโชคดีที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีน้องๆๆองนอนงน อ, งนอง ก, กี่ครั้ง เชื่อเธอสมาน้องน้องน้ๆๆน้องเรียกให้ดำไปทั้งคืนน้องน้องความรักเราไม่มีวันฝืนโ oh, oh, oh, oh, oh. อ้โอ้โอ้โยกไปพร้อมกันทั้งใจน้องน้ๆนรักเธอไปจนวันสุดท้าย